ภาษาสดาก็พอพระไทย น, นะคือที่กล่าวว่าตอนแรกว่าพระเชตวันนี้เป็นที่ยังจิตให้โสมนัสมากสำหรับท่านอนาถาบินธิกาเศรษฐีของเราทั้งหลายมาเชตวันนี้เราได้ฟังธรรมตั้งหลายสูตรแล้วนะที่เราฟังเมื่อเช้าอะไรทศพลสูตรกับจุ ล, ลสีหนาสูตรมาที่นี่ก็ อนาบินทิโกวาพสูตรพสูตรเหล่านี้แล้วก็พระสูตรอีกเจ็ดร้อยกว่าสูตรเนี่ยนะก็ควรที่จะฟังแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเนี่ยนะเห็นลิงเมื่อหร่ก็นึกถึงเชตวันไว้ก็ยังดีหันหน้าว่า้ประทางพระคันโกุตีคือที่ไหนพระเชตวันเนี่ยนะก็ลำลึกมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าที่ตรงนี้เนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงยงมมกรรฏิหาร ซึ่งถือว่าเป็นปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพเพลิงาาตั้งแสดงยมก่าปาติหารเพื่อกําจัดอะไรเพื่อกําจัดเดรรถีคําว่ากําจัดเดรรถีนี่คือมุ่งครอบงําลัทธิไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาหรอกอะนะไม่ได้ไปทำลายตอะไรเขาหรอกแต่หมายถึงว่ากําจัดลทัทธิมิจฉาทิฐิรัทธ์กจัดลทัทธิเดรรถีทั้งหมายคือในสมัยนั้นเนี่ย ทุกลัทธิทุกศาสนาก็ต่างประกาศตนว่าตนไม่มีทิฐิที่ดีมีทิฐิที่งามถือว่าตนนั้นมีลัทธิมีทิฐิที่จะนําออกจากวัตต์ทีนี้ในบรรดาลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีลัทธิใดเหมือนกันเลยเพราะลัทธิใหญ่ในสมัยพุทธกาลมีอยู่กี่ลัทธิจริงๆแล้วมีอยู่เจ็ดลัทธิรวมทั้งลัทธิของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะลัทธินี่แปลว่าทิฐิใช่ไหม และว่าทิฏฐิในบรรดาทิฏฐินี้ทิฏฐิที่นําออกจากทุกนั้นมีทิฏฐิเดียวคือทิฏฐิไหนทิฏฐิที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันมีองค์และที่ใดทิฏฐิใดที่ประกอบด้วยอาริยมรรคมีองค์แปดละที่ทิฏฐินั้นสามารถนําออกจากทุกได้แต่ถ้าละที่ใดทิฏฐิใดที่ไม่ประกอบด้วยอริยมรรคอันมีองค์แดลัที่ทิฏฐิหล่านั้น ไม่สามารถนําออกจากทุกได้รัฐที่6และที่ที่เหลือนั้นเป็นลัที่ที่ประกอบด้วยตังสี่เดือนเนี่ยคิดว่าประชาชนจะมามาดูเท่าไหร่เนี่ยนะก็เลยมีการประกาศมีการโฆูศาาประชาชน ก, ก็ก็อยากจะเห็นพุทธาปฏิหารเหล่านี้ก็เลยประชิมมานาบริเวณเนี่ยอย่างที่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามสิเพลเอะก็ก็กำจัดทิฏฐิเหล่านั้นนั่นเอง ก่อนที่พระองค์จะแสดงยงมากาตาติหารพระองค์ประกาศเรื่องหน้าไว้สี่เดือนหน้าจัดแสดงยงมากาตาติหารที่เมืองสาวถีคําประกาศนี้ประกาศที่ไหนประกาศที่เมืองราชคลึกเป็นการแจ้งเรื่องหน้าตั้งสี่เดือนเนี่ยคิดว่าประชาชนจะมา มาดูเท่าไหร่เนี่ยนะก็เลยมีการประกาศมีการโฆษณาประชาชนก็ก็อยากจะเห็นพุทธาฏิหารเหล่านี้ก็เลยประชาชนมาในาบริเวณเนี่ยอย่างที่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสาบหกโยชน์เนี่ยนะก็สุดลูกตาเราเลยแหละที่มองมองเห็นเนี่ยนะสุดทัศน์สุดอะไรนะทัศนะวิสัยที่เราจะมองเห็นได้ประชาชนเนี่ยมากขนาดนั้นเยอะอย่างนั้นทีนี้ก็มีคําถามว่าอาลัยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะ แต่ชาชนในรัศมีประมาณสามสิบหกกิโลเมตรเนี่ยจับมองเห็นได้อย่างไรถามว่าถ้าดวงอาทิตย์สององคอยู่ที่ไหนมองเห็นไหมตอนนี้เห็นถ้าดวงจันทร์เราเห็นดวงทองฟ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มองเห็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันน <uh yeah ั้นตอนที่พองแสดงยมกถาปาฏิหาริย์เนี่ยเขามีชื่อว่าที่ตรงนี้ว่าพวงคันดามพรุกคือหมายคถาว่ารัศมีแถวนี้ก็จะมีต้นมะม่วงเลยใช่ไหยเมื่อก่อนแล้วแถวนี้จริงๆแล้วเป็นสวนมะม่วง เป็นสวนมะม่วงของพระราชาที่นายคันดานี่เขาเป็นคนดูแลเขาเป็นคนดูแลก็จะเก็บมะม่วงนี่ไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่กุศลมีวันหนึ่งเขาก็เก็บมะม่วงได้ก็เลยอันนั้นมะม่วงที่เป็นมะม่วงนอกฤดูกาลนะนะถ้าหากว่ามะม่วงกวันแถวๆก่อนเข้าพรรษาเนี่ยสมัยพุทธกาลนี่ถือว่าเป็นมะม่วง นอกฤ ด, ดูกาลที่มดแดงเนี่ยห้อมแล้วไม่เต็มไปหมดเป็นลูกที่หลวมสวยอารามงามมากแล้วก็รสหวานอร่อยก็เลยคิดว่าจะเอาไปถวายพระราชาระหว่างทางเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยถวายพระพุทธเจ้าก็คือถ้าหากว่าถวายพระราชาอย่างมากพระราชาก็ให้กะหัปปะนะไม่เท่าไหร่เนี่ยนยีก็อย่างมากก็ใช้ชีวิตได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้าถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนที่สองเป็นยังไงสบายเป็นกลับๆมนงั้นนะเพรา ะ, ะนั้นก็เลยเลือกที่จะถวายเพื่อสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ก็ได้สเสวยคือได้ฉันฉันเสร็จก็เอ า, เ, อาเม็ดนั้นก็มาปลูกเนี่ยนะมาปลูกพอมาปลูกแล้วก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่ขึ้นยามแทนนะไล่ตั้งแต่ใครตั้งแต่สัมมาเนรี นะสนัมมาเนรีชื่อวีราเนี่ยนะก็มาขอแสดงปาติหารสัมมาเนจุุทะตอนนั้นอายุ7จ็ดขวบก็ขอแสดงปาติหารแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยนะ อ, อุบาสิกาชื่อคารณีก็ขอแสดงยงมากาปาติหารอุบาสกชื่อว่าจุละอนาคบินทิกาก็ขอแสดงท่าที่ขันท ก, กุติบริษัทนี้ประชุมกันมากเพมก็เสร็จมาเสด็จมาก็มาประทับอยู่แถวๆเนี่ยนะ ก็มีผู้ที่มาขออ า, าสาแสดงยงมกะปาติหารแทนนะนเล่าตั้งแต่ใครตั้งต่อสัมมาเนรีนะสัมมเนรีชื่อวีรานี่นะก็มาขอแสดงปาติหารสัมมาเนรจุนทะตอนนั้นอายุเจ็ดขวบก็ขอแสดงปาติหารแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยนะ อ, บอุบาสิกาชื่อคารณีก็ขอแสดงยงมก่าปาติหารอุบาสกชื่อว่าจุลานาถบินทิกาก็ขอแสดงปาติหาร อุดเดนนาเทรีก็ขออาสาที่จะแสะดงปาฏิหาริย์ธมโมคลานะก็อาสาที่จะแสะดงปาฏิหาริย์ท่านเหล่านั้นขอขออาสาพระ อ, องค์ก็ไม่อนุญาตแมนะ้แต่ท่านเดียวเมื่อพระ อ, องค์ไมอนุญาตพระ อ, องค์ก็บอกว่าภาระอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เลยเมรุมิตรรัตนาจงกรมระหว่างทิศไหนที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกนะเมรุมิตรเป็นรัตนาจงกรมมา พอเนรมิตเป็นรัตนจงกรมพระองค์ก็ประพัดนะเดินจงกลมพ่อองค์ปกติมีพระรศมีอยู่แล้วใช่ไหมรศมีออกจากพระวรากายนี้นีกี่สีหกสีก็เรียกว่าฉับพันธ์หนังสีฉับฉับแปลว่าหกอ่ะนะฉับพันธรังสีก็หังสีมีหกสีเหมือนอะไรก็อกเหมือนทองของยมบวนอันะ หลายท่านนะรวบรวมกาเย็บทองมานะก็คือมีสีคล้ายๆแบบนั้นนะแต่ว่าอย่างว่านะเราก็ทํายังไงก็ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าอันนี้คืออุปมาณว่าเออเนี้ยมีหกสีอย่างนี้ก็แล้วกันนี่พระองค์นี้ก็ปกติมีพระศมีสร้างจากพระวระกายใช่ไหมแล้วพระองค์มีมิตรรัตน์จมกรมรัตนต์ปลว่แก้วเป็นเป็นที่จงกลมกลนะแก้วนะระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเลย แล้วพระองค์ก็เปล่งพระฉับพันนรังสีออกจากพระสร็ระทีนี้ฉับพันนรังสีเหล่านั้นเนี่ยนะโดยที่มีสายน้ำกับท่อใสไหลออกจากพระวรกายเนี่ยจะเน็ดงามตามใดนะหกสีคือถ้าน้าถ้าน้ํามัน้ำกับไฟมาตัดกันกับหกสีอะไรจะเกิดขึ้น อ น, นะ ก, ก็งามยิ่งกว่าร่้งเป็นร้านเท่าอะนะหรือ ง, งามกว่าร่วงหาประมาณนี้ได้ถ้ากายข้างซ้ายก็เป็นน้ําแล้วก็ไหลสลับกันอย่างนี้เนี่ยนะต่อแม้กระทั่งพระเนตรซ้ายพระเนตรขวาพระตันคือหูซ้ายหูขวาพระนาสิษฐ์จมูกซ้ายจมูกขวาอ่านะเออแม้กระทั่งทั่วสารพางกายเนี่ยท่า น, าน้นเลี้เป็นรัศมีออกมาจากพระวรกายแล้วก็ท่อน้ํากับ เอ่อพ่อไฟกับสายน้ําเนี่ยนะไหลเช่นพระกายเบื้องเดิของพ่อเนี่ยพ่อไฟไหลเอ่อพ่อไฟไหลออกมาเชื่องร่างก็ท่อน้ํานนะสายน้ําไหลออกเนี่ยพระกายข้างหน้าเป็นไฟพระกายข้างหลังก็เป็นน้ําพระกายข้างขวาเป็นเป็นไฟพระกายข้างซ้ายก็เป็นน้ําแล้วก็ไหลสลับกันอย่างนี้เนี่ยนะตบแล้วกระทั่งพระเนื้อซ้ายพระเนตรขวาพระกันคือหูซ้ายหูขวาพระนาสิษ์จมูกซ้ายจมูกขวาอ่านะ ในกระทั่งทั่วสารพางกายเนี่ยเท่าน้ำกับสายไฟไหลสลับกันไหลสลับกันแล้วก็มีฉัพทนรดังสีหประการเนี่ยนะก็จะงดงามวิจิตหาประมาณไม่ได้ซึ่งจากครูวิญญาณเราไม่ได้ทำบุญมาขนาดนั้นน่นะก็ได้แต่านโหวิญญาณจินตนาการก็แบบสันสลางๆเป็นทีลนะนึกไม่เคยจะออกว่าเป็นยังไง ทีนี้ฉับพันธะรังสีที่พระองค์แต่งออกมาเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็เดินจองกรมด้วยแต่งฉับพันธะรังสีเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ก็ยังเนรมิตพระพุทธเจ้ า, าขึ้นอีกองหนึ่งอัานะพุทธเนรมิตเนี่ยนะพุทธเนรมิตแล้วก็ถ้าพระองค์ประทับยู่พุทธเนรมิตจะนั่งจะนอนจะเดินก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนนิรยาบทอยู่อย่างนี้ระหว่างพระองค์กับพระพุทธเนรมิตเนี่ยนะก็ บรรยากาศเป็นที่น่าชื่นชมนสนมนั้นเป็นอย่างมากเจ่าเขาต้องปฏิหารเล่าโดยเรียบร้อทีนี้พอพระ อ, องค์แสดงปฏิหารอยู่อย่างนี้พระ อ, องค์ก็ตรวจดูวาราจิตของหมูสัตว์สัตว์ที่มาประชุมกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะสามสิบหกโยชน์สามสิบหกโยชเนี่ ย, ย, ย, ยพระ อ, องค์ตรวจดูวาราจิตสิบหกประเภทของทุกคนหมดเลยในจิตตาสนุปัสนามีจิตเท่าไหร่สิบหกนะหนึ่งจิตมีราคา คู่ที่หนึ่งจิตมีราคาจิตปาศจากราคะคู่ที่2จิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะคู่ที่สจิตมีโมหะจิตปาศจากโมหะคู่ที่4จิตหุบหักับจิตฟุ้งซ่านจิตคู่ที่5จิตเป็นสวุตระอนุตระจิตคู่ที่6เป็นมหัคคตาไม่เป็นมหัคคตาคู่ที่7จ็ดจิตเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิคู่ที่แด งเงียเ่มเฉยๆเนี่ยอมีความสุขอย่างมากฉันใดมูสัตว์ทั้งหลายเขาก็เบิกบานบันเทิงใจฉันนั้นเขาบันเทิงใจกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเยนะทีนี้พง ก, ก็ตรวจ ด, ดูวาระจิตของเขาเหล่านั้นทั้งหมด แล้วพระ อ, องค์นี่มีอะไรอตีตังสยานกับอนาคาตังสยามพระองค์รู้นะนะพวังเที่กำหนดได้เลยว่าพวังนี่มีกี่ขั้นนั้นสามารถตรวจอบ ด, ดูทั้งหมดแล้วพระ อ, องค์เนี่ยบอกว่าแสดงปาฏิหาริย์โดยไม่สร้างความหนักใจให้ใครเลยแนมะ้แต่คนเดียวทุกคนแล้วก็จะบันเทิงใจสบายใจเหมือนกับเราอยู่เดินเนี่ยนะเราเดินนี่ลมพัดโชยโชยเนี่ยสบายใจไหม อากาศเย็นเย้ยยังงลเลนเชยเเนี่ยโอ้โหมีความสุขอย่างมากฉันใดมูสัตว์ทั้งหลายเขาก็เดิกบานบันเทิงใจฉั น, นั้นเขาบันเทิงใจกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเนยนะทีนี้พองษ์ก็ตรวจ ด, ดูวารถจิตของเขาเหล่านั้นทั้งหมดแล้วพรงษ์นี่มีอะไรอตีตังสยานกับอนาคาตังสยานพงษ์รู้หมว่าภูมิหลังของแต่ละคนเป็นยังไง น, นะแล้วก็มาแบ่งมูสัตว์เหล่านั้นโดยจิตแต่ละคนมีจริตยังไงแล้วก็แบ่งประเภทเป็นพว ก, พวก พวกไหนที่จะันรู้ด้วยธรรมเทศนาใดพระองค์ก็แสดงธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมทรงเคราะห์เขาเหล่านั้นก็แสดงธรรมก็อย่างว่านะก็คือประกาศอะไรก็ประกาศอริยสัจ แต่ก็ต้องแสดงตามจริตนี่ะแสดงทำตามจริตจึงอยู่จะประกาศอริยสัจก่อนที่จะประกาศอริยสัจเนี่ยถ้าคนโทสะจริตก็ต้องเจริสอนให้เจริญมีเมตตาก่อนถ้าคนราคะจริตก็สอนให้เห็นอสุภะก่อนถ้าพวกมรณะเอ่อพวกที่วิตกจริตก็สอนเกี่ยวกับอานาตานสติเพื่อตัดอกุศลวิตกเป็นต้นนีน่นนะ ถามว่าถ้าพวกเป็นศรัท ธ, ธาเจริญก็สันเสริมคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าเป็นผู้ที่จริตก็สอนนิพพสนาไปเลยเมื่อพวกแบ่งนะแบ่งแบ่งมูสัตทั้งหมดพวกก็แสดงธรรม ท, ทีนี้อย่างว่านะโดยปกตินี้แล้วพวกจะเพูดคำคนเหล่านั้นหรืออย่างที่เคยรู้กันไม่ว่าถ้าเราพูดหนึ่งคำท่านนลพูดได้กี่คําพระนนลพูดได้แปดคำท่านนลพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าตรัสได้สิบหกคำ เราพูดหนึ่งะพระพุทธเจ้าพูดร้อยกว่าแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนฟังจะเหมือนกัะฟังเป็นปกติแล้วทุกคนจะฟังแล้วแปลเป็นภาษาตัวเองด้วยนจะไม่เป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุด เข้าใจง่ายที่สุดเขาก็จะฟังปลนะด้วยพานุภาพที่พระบําเพนบุญมาขนาดนั้นนั้นเขาฟังทำแล้วเขาเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญไว้แล้วเขาเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมมาแล้วเขาฟังอริยสัจจะทำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำมาที่สมัยก็ได้มีแก่สัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบโกรดเนี่ยนะยี่สิบโกรดนี้ก็น่าจะรวมทั้งเทวดาเลยมนุษย์ด้วยเนี่ยนะ ก็บรุหาก็ถือว่าบรรลุเยอะมากเลยนะ36มิกโกรดเนี่ยเออขอไปยีโกพออรพอพระองค์สดงยมกาศปาฏิหารประกาศอริยสัพระพุทธเจ้าเหล่านั้นประทับจำพรรษาที่ไหนเนอะก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดก็ประทับที่ดาวดุเพื่อแสดงอภิธรนสงคราะพระพุทธมรม วันเดียวกันกับที่แสดงธรรมจักเรื่องวันนั้นนะอาสาละหะใช่ไหมวันวันปฏิทิน่า่จะช่วงวันเดียวกันกับที่วันแสดงธรรมจักเชื่ว่าสินะเพราะท่านก็บอกว่ายี่สิบโกรธเนี่นะยนะก็เสด็จบริเวมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็แล้วกันยี่สิบโกรธทีนี้พง ก, ก็สเสด็จว่าพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อแสดงยัมะกาตตาติฐานเสร็จแล้วอย่างนี้ พระพ in, anyway, at ุทธเจ้าหล่านั้นประทับจำพรรษาที่ไหนเนาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดก็ประทับที่ดาวกดึงเพื่อแสดงอภิธรรมติดกสองคราอพระพุทธมารดาเนี่ยนะโปรดพระพุทธมารดาพรก็เลยเดินสามก้าวถึงดาวดึงเลยนะก็คือก้าวเป็นปกติเหยียยอดเขายุคคันธนแล้วก็ขึ้นในูนเขาสินเนรุแล้วก็อีกก้าวหนึ่งก็ประทับนั่งบนบันทุกัมพลศิลาอัดนะนะแล้วก็ ส่วนเหตุการณ์เกี่ยวกับการแสดงพระพิธรรมปีดกนั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ใช่คุณล้านพรุ่งนี้หรือปืญมาวันนี้นะเราคงจะได้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่ที่เมืองสังกษานะเหตุการณ์เกี่ยวกับยมกาป า, า, าิหารก็อขอถ่ายเกี่ยวกับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงที่ราวดุลแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างทีนี้เราก็มารับอุตุอันสปายะจะได้พิจารณาว่าโอ้ขาขึ้นนี่ขึ้น ที่นี่เนี่ยนะซึ่งคุณซาสีเเล่าว่าไงนะที่นี่แอร์พอร์ตใช่อหมสนามบินที่นี่สนามบินเพรางั้นถ้าถามหาที่นี่ก็ต้องหามสนามบินอยู่ที่ไหนเพราะเขาจะบอกเราตรงนี้เองก็ก็เหตุผลก็จะคุยกันเลยว่าทำไมที่นี่อีกคนยังแค่พัฒนาสนามบินเพราะั้นพอนก็คือถ้าเราดูภาพบรรยากาศเนี่ยนะขึ้นมาเดนนี้จะเห็นอนารัศมีของเขตเมืองสาวัตถีพอสมควรพอที่จะอเห็นวิวเทวทัศน์เนี่ยนะว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ดวงนี้ตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็หายไปเลยไม่น่าเชื่อนะดวงเบล่์มเมือ่อกี้หายไปไหนแล้วแต่คนดูที่อยู่ตรงไหนจตกไปไหนละอสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละขนาดดวงอาทิตย์สว่างส่องกระจ่างขนาดนี้ยังไม่เหลือเลยแล้วรายทั้งหลายนะาเนอจัดเรือนู้นอะเรียนของเก่าอย่างแท้จริงเลยม้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละแม้กระทั่งถ้าหากว่าจะพิจารณาให้ดีให้เป็นสังเวกัตถุเนี่ย พระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ผู้มีเดช ผ, ผู้มีบุญนะผู้มีพุทธามิภาพมากขนาดนั้นพระองค์ก็ยังชวนประมาณสามสิบหกโยชนสังขารทั้งหลายว่างเปล่าจากความเที่ยงขวงขานทั้งหลายว่างเปล่ า, า, าเาาาาาช่นนี้รออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเดี๋ยวก็เราก็ว่างสังขารของเราทั้งหลายก็ว่างจากหน้าที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็สู่สภาพอันว่างแต่ ต, ตามเดิมเห็นไหมโอ้อันพี่จริงเรามามา มาเรียนของเก่าอย่างแท้จริงเลยนะไม่มีอะไรจะเก่ากว่านี้อีกแล้วในประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็มาติดตามศึกษาของเก่า เ, าเมื่อสองพันกว่าปีซึ่งเขาเหล่านั้นก็แม้แต่ชื่อเราก็จําชื่อชื่อได้แต่เพราะคนเด่นๆไม่กี่คนเองเท่านั้นใช่ไหมในประชาชนประมาณสามสิบหกยศนหมือนเราไม่รู้จักชื่อเลยว่าเพื่อนเหล่านั้นคือใครสังขารทั้งหลายว่างเก่าเช่นนี้รอ อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเดี๋ยวก็เราเพราะว่างสังขารของเราทั้งหลายก็ว่างจากหน้าที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็สู่สภาพอันว่างเปล่าตามเดิมเห็นไหมเนี่ยอยงต่ัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของศูนใช่ไหมรูปเป็นของศูนย์เวทนาเป็นของศูนย์สัญญาเป็นของศูนย์สังขารเป็นของศูนย์และวิญญาณก็เป็นของศูนศูนย์จากอะไร ศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความสุขศูนย์จากความยั่งยืนศูนย์จากความเป็นอัตตาแต่หมู่คนผ่านทั้งหลายสําคัญตรงกันข้ามสําคัญว่าุเที่ยงสุขงามยั่งยืนไม่อัตตาถามว่าเมื่อเขาสําคัญด้วยสําคัญว่าสังขารทั้งหลายเสี่ยงเที่ยงสุขงามยั่งยืนไม่อัตตาความสําคัญ น, นั้นเป็นตัญหามานะแล้ทุฏิถ้าหากว่าตัญหามานะทิฏฐิที่บริบูรณ์ อะไรจะบริบูรณ์ตามมากรรมพจทั้งหลายก็จากบริบูรณ์ถ้าพอนบริบูรณ์อะไรบริบูรณ์ ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมรณะและอุปตรญาตก็บริบูรณ์สังสารทุก์ทั้งหลายของเขาก็อยไหลไปอย่างนี้ส่วนพระยาเจ้าทหมายผู้ตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่เช่าตนท่านเหล่านั้นจะไม่สําคัญว่ากายเหล่านี้เป็นของเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตา ท่านเมื่อท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายในสัตว์ธาสังขารบางตัวเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายกำหนัดถ้าจิตคลายกำหนัดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอันสิ้นตันหาและอุปาทานถ้าตันหาดับะระดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกปริเทวะทุกเทมนัสและอุปาญาตก็ดับ นะความดับแห่งวัฏทุก็เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ศานอยู่ที่ไหนหนอก็อยู่ที่ใจของเราถ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วใจไหนเป็นศาสนาใจไหนนอกศาสนาล่ะเขาบอกว่าใจนอกศาสนาก็คือใจที่ตามเห็นขันหว่าเป็นเราเป็นของคาอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันทำลายพระพุทธศาสนาอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นว่าอะไร นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะะัถ้าหากว่าเราทั้งหลายตามเห็นขันห่าว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราก็เชื่อเรานั้นทำลายศาสนาในใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนหนอก็อยู่ที่ใจของเราถ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วใจไหนเป็นศาสนาใจไหนนอกศาสนาละ่ะ เขาว่าใจนาศาสนาก็คือใจที่ตามเห็นขันให้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราถ้าใจที่เป็นไปตามพระศาสนาก็คือใจที่ตามเห็นว่า ขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็คือตามเห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดางหัฝีเป็นนางลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นนางผูอื่นเป็นขอรไม่ใช่เป็นโดยที่สุดแม้แต่พิจารณาว่าขันห้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปกับชาติชรามนัสเซกการปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปารญาณ ันการปฏิบัติที่เห็นตามสอดคล้องตามพระาศาสนาจริงๆก็ต้องเห็นา น, นี้ทุกนะนี้ทุกะนะเดูขึ้นเขาที่จะทุกข์ลงนะขาลงนี้ทุก <c oughs> นี้ทุกขสมมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธถ้าขาไม่มีปฏิป ท, ทาเราทั้งหลายก็มาเร่วมกันน้อมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงยมกะปาฏิหารผู้สมบูรณ์ด้วยมหากรุณาสมาบัติยานผู้สมบูรณ์ด้วยอาสานุสยาญาณ ผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ตะรยัติยานผู้สมบูรณ์ด้วยสัพพันยุตยามผู้สมบูรณ์ด้วยอารณ์อนาวารณายานผู้สมบูรณ์ด้วยจตุวเวสารชยามผู้มีกำลังสิปการ <c oughs> ผู้เป็นพระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มาโหรำลึกถึงพระธรรมทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญมาบําเพ็ญด้วยกายวาจาใจาเป็นบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมาภิปรมีสิบ ต, ตลอดจนถึงความเพียรทั้งหมดเพื่อแต่แทนตลอดรู้แจ้งโลกุตระธรรมเมื่อพระองค์รู้แจ้งโลกุตระธรรมเปนที่สิ้นวัตถทุกขแล้วพระองค์ก็เอาโลกุตระธรรมเหล่านั้นมาสแสดงน